5้ารอยชาติที่ถอยนานมากเลยอย่างพระนนน์สมัยก่อนจะเป็นพระนนน์ไปทำบุญมาแล้วขอให้มีรูปงามขอให้หล่ออีกชาติหนึ่งเกิดมาหล่อเฟี้ยวเลยอันนี้ก็ไปทำผิดศีลประพฤตผิดในกรมท่านบอกท่านตายจากชาตินั้นท่านเบียนอยู่ในนรกเนิ่นนาน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 อาวันนี้สมควรแก่เวลา